เสนาสนะคาหาประกสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะครั้งนั้น